รู้สึกแก่แบบเบื่อเบื่อขี้เหนียวจิตใจแห้งแล้งอุดอู้จำเจแข็งใจทนงตนอายุไม่ใช่ตัวการอายุคือตัวการทำให้ความสุขค่อยๆหายไปหรือคุณเป็นคนทำให้ชีวิตเป็นทุกข์มากขึ้นทุกทีวัยเด็กของคนส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะเห็นโลกเป็นสวนสนุก ส่วนวัยทางานของคนไม่น้อยมีแนวโน้มจะเห็นโลกเป็นทันทถานธรรมชาติของชีวิตจะบีบให้คุณต้องเลิกทําอะไรแบบเด็กๆซึ่งก็ไม่ใช่จะดีไปทุกเรื่องการทําอะไรแบบเด็กๆนั้นถ้าหมายถึงการไม่รับผิดชอบหรือพูดไม่เป็นพูดอันนั้นรู้ๆกันว่าไม่ดีคนจะนับว่าโตเป็นผู้ใหญ่ได้ก็เมื่อรู้จักรับผิดชอบหรือพูดแล้วทาตามที่พูด แต่หากการทําอะไรแบบเด็กๆหมายถึงการรู้จักเล่นสนุกแบบง่ายๆหมายถึงความอยากจะช่วยกันแบบไม่คิดอะไรมากหมายถึงการไม่เก็บงามความรักความเอาใจใส่หมายถึงการอยากรู้อยากเห็นอยากท่องโลกกว้างหมายถึงการไม่อายที่จะถามหมายถึงการหายโกรธเร็วไม่ติดใจถือสานานๆการหายไปของอะไรเหล่านั้นไม่ได้ทําให้คุณกลายเป็นผู้ใหญ่ที่น่าภูมิใจ แต่มันทำให้คนรู้สึกแก่แบบเบื่อเบื่อขี้เหนียวจิตใจแห้งแล้งอุดอู้อยู่กับความจำเจและที่สำคัญคือต้องแกล้งทำเป็นรู้ทั้งทั้งที่ไม่รู้อะไรเลยต้องแข็งใจทนงอยู่กับความทรงภูมิมั่นใจในความคิดความเชื่อทั้งที่ตระหนักมากขึ้นทุกทีว่าความคิดและความเชื่อของตัวเองนำไปสู่ความลาบากตนลาบากท่านเพียงใด เรามักโทษชีวิตโทษคนเร็วๆที่บีบให้เราต้องกลายเป็นคนขี้กังวลขี้ระแวงเคร่งเครียดเก็บกดและต้องเสแสร้งแกล้งทาต่างๆนานาเพียงเพื่อจะได้ไม่ถูกใครเอารัดเอาเปรียบไม่โดนใครหลอกง่ายๆไม่มีใครหัวร้อยยอเราเห็นเป็นตัวตลกใครกันมาคาดคันว่าผู้ใหญ่ไม่ควรเล่นสนุกใครกันผูกขาดความเชื่อว่า ผู้ใหญ่ต้องซับซ้อนซ้อนเงื่อนไกรกันสั่งว่าห้ามเป็นไก่อ่อนโดนหนึ่งต้องเอาคืนสิบไรกันกดดันให้ยอมชั่วแบบเสือแต่อย่าแสนดีเป็นกวางน้อยไกรกันเป็นคนตัดสินว่าคิดมากเป็นสิ่งสมควรแล้วตกลงวิธีคิดของเราเองสามเติมเราหนักกว่าที่คนอื่นเล่นงานเราหรือเปล่า ทุกคนอยากรู้เคล็ดลับความอ่อนเยาว์เสมอแต่น้อยคนนักที่อ่อนเยาว์ลงได้จริงอันนี้ก็น่าคิดเป็นความผิดของคนส่วนใหญ่หรือเปล่าที่หลงนึกว่าชีวิตมีแค่ความอ่อนเยาว์ทางกายประเภทผิวหนังแต่งตึงมีน้ำมีนวลไม่มีตินกาไม่มีรอยเหี่ยวยน่นทั้งที่จริงแล้วความอ่อนเยาว์ซ่อนอยู่ใต้เลือดเนื้อและผิวหนังความมีชีวิตชีวา แปลงอยู่ในความมีใจประตือรือร้นความรู้สึกดีๆมาพร้อมกับอารมณ์เบาสบายไม่คิดมากมเมล็ดพันธุ์แห่งความอ่อนเยาวเหล่านี้ใช้มีดหมอไม่ได้ใช้ยาฉีดไม่ได้ใช้วิธีแสแสร้งแกล้งทำไม่ได้แต่อาจเริ่มต้นด้วยการเห็นด้านดีของเด็กๆ เ, เล่นกับเด็กและเก็บเกี่ยววิธีมองแบบเด็กๆมาด้วยไม่ใช่เอาแต่บอกว่า ฉันโตแล้วทุกอย่างที่เด็กๆทำฉันจะทำเป็นตรงข้ามให้หมด